วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดกันเพื่อมาทำกิจที่สำคัญที่จะเป็นคนเป็นประโยชน์ที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเรา นั่นก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะสัมบังเอตัมมังกลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง แกชีวิตการทําทําตามการตามเวลาก็หมายความว่าเวลาที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆไม่ควรเอาเวลาอันมีค่านี้ให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้เอาเวลานี้มาทํากับสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่า เท่ากับการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทําให้เราได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีก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 ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่อุดมไปด้วยความเป็นมงคลความเป็นสิริมงคลการที่เราจะฟังเทศแล้วให้เกิดอานิสงส์ให้เป็นมงคลนั้นเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้า กายวาจาใจไม่สง บ, บนี้ใจจะไม่สามารถรับทำเข้าไปสู่ใจได้อย่างเต็มที่เพราะใจจะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นถ้าร่างกายเราไม่นั่งเฉยเฉยไม่อยู่เฉยเฉยไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินไปเดินมาใจก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะไม่ได้ฟังทำอย่างเต็มที่ กะจะต้องคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไปด้วยเช่นเดียวกับวาจาถ้าเราพูดคุยกันใจของเราก็ต้องไปอยู่กับเรื่องคุยกันแทนที่จะอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมใจก็จะไปอยู่กับการคุยกันธรรมที่เข้ามาในหูก็จะไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้รองรับ ไม่ได้ตั้งใจรับเสียงธรรมร้อมใจมัวไปอยู่กับการคุยกันนี่คือความสงบทางกายทางวาจาดังนั้นตามธรรมเนียมของการฟังธรรมเพื่อให้เกิดมงคลและแสดงความเคารพต่อธรรมเราต้องฟังด้วยกายที่สงบวาจาที่สงบหรือร่างกายนี้จะ ไม่ทำอะไรจะนั่งเฉยๆอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังนั่งอยู่อย่างนี้แล้ววาจาก็ไม่พูดไม่คุยกันนั่งเงียบๆเพราะถ้าเราพูดไปคุยกันเราจะทำให้เสียประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นผู้ที่เขานั่งอยู่ใกล้ๆเราเราเองคุยกันเราก็จะไม่ได้รับรู้เรื่องธรรมที่เข้ามาในหู และผู้ที่เขาฟังเขาก็จะถูกเสียงคุยกันของเรารบกวนสมาธิของเขาทำให้เขาฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีเสียงหลายเสียงเข้ามาพร้อมๆกันมีทั้งเสียงทรมีทั้งเสียงคุยกันก็เลยทำให้เขาเสียประโยชน์ไปกับเราด้วยทำโทษกับเราแล้วยังไม่พอยังไปทำโทษกับผู้อื่นด้วยเวลาที่เราฟังทำแล้วเราไป สร้างความรบกวนใจให้แก่ผู้อื่นดังนั้นเวลาฟังธรรมเราจึงต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบใจกายวาจาที่สงบนี้เราเรียกว่าศีลและเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ต้องฟังด้วยใจที่สงบเช่นเดียวกันกายวาจาสงบแล้ว ใจยังอาจจะไม่สงบได้เพราะใจยังไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้นั่นเองเวลาฟังเราใจก็ต้องสงบใจต้องนิ่งใจต้องไม่คิดถึงเรื่องอะไรให้เฝ้าอยู่ให้จดจ่ออยู่กับเสียงท ร, รมที่เข้าม า, า, มาทางหูแล้วรับรู้ทางใจถ้าใจจดจอ่อมีสติควบคุมใจให้มี ให้มีแต่การฟังเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวใจก็จะสามารถรับธรรมต่างๆเข้ามาสู่ใจได้หมดแล้วเมื่อธรรมได้เข้าสู่ใจก็จะเกิดอนิสงส์ต่างๆนั่งที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นคือหนึ่งเราทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้ยินได้ฟัง เช่นวันนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังวิธีของการฟังเทศฟังธรรมที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเราว่าเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบพอเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่ทําอะไรเราก็จะได้ยินได้ฟังและเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการฟังเทศฟังธรรมนี้จะได้ประโยชน์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนแต่อาจจะได้ฟังนานไปนานมาแล้วและอาจจะเลือนลางไปพอเราได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะทําให้เราเ ได้ทบทวนความเข้าใจของเราได้ทำให้ความเห็นความเข้าใจของเรานี้ดีขึ้นไปเห็นชัดเจนเข้าไปเห็นประโยชน์ของการฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบและจะไม่สงสัยที่เวลาที่เราเคยได้ยินในสมัยพระพุทธการเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมนั้น ผู้ฟังนี้สามารถบรรลุธรรมได้เลยผู้ที่บรรลุธรรมก็คือผู้ที่ได้รับสัมมาทิฏฐิได้มีความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุข เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอได้ยินได้ฟังรับพิจารณาตามก็เห็นเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงพอเห็นปักก็บรรลุธรรมได้เลย เช่นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจาวาคัคคีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นร่างกายของพวกเรานี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข การที่มีร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์เป็นความไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เพราะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงและมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งพอได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าการที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็จะทำให้เราอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด อยากให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจไม่ได้เกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายแต่เกิดจากความอยากให้เที่ยงของใจใจอยากให้ร่างกายเที่ยงก็เลยทำให้ใจทุกข์เพราะว่า ใจยังจะไม่ได้ดังใจอยากเพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงอยากยังไงมันก็เที่ยงไม่ได้เป็นของเราไม่ได้ถึงเวลามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถึงเวลามันจะต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่พอพระอัญญาณุกนทนยะยาได้ยินได้ฟังการแสดงของพระพุทธเจ้า ก็หูตาสว่างขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาขั้นแรกขั้นพระโสดาบันสามารถปล่อยวางร่างกายได้ไม่อยากให้กําจัดความอยากที่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเห็นอย่างชัดเจนว่าความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ทําให้ตนเองต้องทุกข์เพราะไม่สามารถไปฝืนความจริงของร่างกายได้ว่า เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาปอัญญาณโกธทะยาจึงเปล่งว่าจะออกมาว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นชัดเห็นความเป็นอนิจจังของร่างกายเห็นว่าร่างกายเกิดมาเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา ถ้าอยากให้ไม่ร่างกายดับก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยวางร่างกายเมื่อถึงเวลาเขาจะดับก็ปล่อยเขาดับไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายนี่คือการฟังธรรมจนบรรลุธรรมเพราะผู้ฟังก็ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบพระปัญจวัคคีย์นี้มี ศีลมีสมาธิศีลศีลก็คือความสงบของกายสงบของวาจาและสมาธิก็คือใจตั้งมั่นไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจเพียงอย่างเดียวยึงทำให้เกิดสมาธิทฐิขึ้นมาความเห็นชอบที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้เห็น ปกติก่อนที่ฟังธรรมนี้พระปัญจวัคคีมีมิจฉาทิฏฐิกันมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็พิจารณาตามก็เห็นตามอย่างที่พุทธเจ้าทรงเห็นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องมีการดับไปและเมื่อดับไปมันก็ กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมานี่ก็คือการได้มีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นเห็นความเป็นจริงของธรรมของสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราก็จะไม่สงสัยว่าทําไมในสมัยพระพุทธการการฟังธรรมจึงทําให้ผู้ฟังธรรมนั้นบรรลุธรรมกันได้เพราะนอกจากผู้ฟังที่มีกายวาจาใจที่สงบแล้วผู้แสดงธรรมก็มีธรรมแท้ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีธรรมแท้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นทรงรู้ธรรมแท้ด้วยพระองค์เองไม่ได้รู้มาจากผู้อื่น ไม่มีใครมาบอกพระองค์ถ้ามาบอกก็ยังไม่ถือว่าเป็นทรรมแท้เป็นเหมือนกับสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังอะไรกับการที่เราไปเห็นของที่เราได้ยินได้ฟังนี้มันต่างกันมากเวลาได้ยินได้ฟังนี้มันก็ทำให้เราต้องเกิดจินตนาการกันขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปเห็นกับตาของเราเองพอเราเห็นกับตาของเราเองนี่เราก็จะไม่ต้องจินตนาการเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นธรรมแท้แล้วผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติเอาไปพิจารณาตามก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเมื่อได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของตนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุได้นี่คือเรื่องของอนิสงส์เรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้าขึ้นมาอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงวันหนึ่งกินถึงขีดที่เราจะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่สงสัยในธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาฟังธรรมแล้วใจ สงบใจบรรลุใจก็จะมีความสงบมีความสุขเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราฟังธรรมอยู่บ่อยๆเพราะเมื่อวเราฟังธรรมแล้วเราปฏิบัติพิจารณาตามไปด้วยเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราจะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรทรงเห็นแล้วเราก็จะ ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่เพราะธรรมที่เรารู้นี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นผู้รู้แล้วนํามาสั่งสอนพวกเราพอเราฟังแล้วเราได้รับความรู้อย่างพระอัญญาณโกนธรรนัญญานี่ได้รับความรู้ว่าอความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเพราะความอยากนี่เกิดจากความหลง ที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราที่ไม่อที่ไปที่ทุก็เพราะว่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงและอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานี้เป็นของเราไปตลอดก็จะไม่สงสัยว่า ผู้ที่แสดงธรรมนี้คือพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่แล้วก็ไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมที่ตรงกับความจริงหรือไม่เพราะหลังจากที่ได้พิจารณาก็เห็นว่ามันเป็นไปตามความเป็นจริงทุกประการแล้วก็ไม่สงสัยในพระอริยสงสาวกว่ามีจริงหรือไม่เพราะผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม ก็คือพระอริยสงสาวกนั่นเองอันนี้ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปถ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงอยากในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราแล้วพอเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราต้องไม่ใช่เป็นของเราะ ก็ปล่อยวางหยุดความอยากหยุดหยุดความอยากให้เที่ยงหยุดความอยากให้เป็นของเราพอหยุดปัาบความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปนี่คือเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดมาฟังเทศฟังธรรมกันฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ เวลาฟังเทศฟังธรรมจึงไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือมาดูลมหายใจเข้าออกเพราะว่าถ้าเราบริกรรมพุโทโธใจของเราก็ไม่นิ่งใจของเราต้องบริกรรมพุโทโธใจของเราก็จะไม่สามารถฟังธรรมได้แล้วเสียงธรรมกับการบริกรรมพุโทโธก็จะมาชนกัน ถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ไม่ควรจะฟังธรรมในเวลานั้นเจนเวลาที่เราต้องการทาใจให้นิ่งให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธเราก็ไปนั่งที่สงบคนเดียวอย่าไปนั่งในที่ที่เขาแสดงธรรมฟังธรรมกันเราก็ไปนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาฟังธรรมนี้เป็นเวลาที่เราไม่ต้องใช้การบริกรรมพุทโธ เราสามารถใช้เสียงธรรมนี้แทนการบริกรรมพุโทโธได้ว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าการใช้การบริกรรมพุโทโธถ้าเราบริกรรมพุโทโธเราจะได้เพียงแต่ความสงบแต่ถ้าเราใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจเราถ้าเราสามารถพิจารณาตามธรรมที่แสดงได้เราก็จะได้อ น, นิสงส์หลายประการ เราจะได้กำจัดความลังเบสงสัยในธรรมต่างๆได้เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องและเราก็จะมีความสงบที่เกิดจากการที่เร า, เาละความอยากที่เป็น ต, ต้นเหตุของการทําใจของเราให้วุ่นวายได้อันนี้เราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วมาฟังทำกี่ครั้งก็จะไม่ได้รับประโยชน์ Ni, เราคิดว่าเวลาฟังธรรมนี้เราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธกันหรือดูลมหายใจเข้าออกกันถ้าเรามัวแต่บริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเราก็จะไม่รู้เรื่องของธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เราจะได้อย่างมากก็ได้สมาธิคือความสงบจากการดูลมหายใจเข้าออกหรือจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวแต่เราจะไม่ได้รับ ปัญญาเราจะไม่ได้รับสัมมาทิฐิความเห็นชอบเราจะไม่สามารถกำจัดความรังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้ดังนั้นเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมจึงไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาะกำหนดพุทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเราต้องมากำหนดฟังเสียงธรรมที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ ถ้าเราสามารถพิจารณาตามได้เราก็จะได้ความเข้า อ, อกเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลําดับและอาจจะถึงขั้นบรรลุธรรมได้ถ้าเรามีความสามารถที่จะเห็นตามที่ผู้แสดงได้แสดงให้เราเห็นได้ถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ได้บรรลุแต่ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมความรู้ที่เราสามารถที่จะเอาไปพิจารณาค่ายควรต่อไปได้ อย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทำครั้งแรกนั้นมีผู้ฟังอยู่ห้าคนด้วยกันแต่มีคนเดียวที่สามารถเข้าใจตามที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงได้ทันทีในขณะที่ฟังก็คือพระัญญาโกนทัญญะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นชอบปล่อยวางดับความทุกข์ระดับของพระโสดาบันได้แต่อีกสี่รูปนี้ ท่านยังพิจารณาไม่ไม่คล่องแคล่วยังไม่เห็นชัดตามที่พุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้แต่หลังจากที่ท่านออกไปพิจารณาต่ออีกไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันกันขึ้นมาอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ชัดเจนมากน้อยเพียงไรถ้าสามารถพิจารณาให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามที่ผู้แสดงได้แสดง ได้เห็นก็จะสามารถบรรลุธทรได้ในขณะที่ที่ฟังในขณะนั้นเลยแต่ต้องพิจารณาตามว่าว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นอย่างไรการสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีมาแล้วมีไป เช่นเสียงที่เราได้ยินขณะ น, นี้เสียงเครื่องบินมันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับนถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าอยากให้มันไม่ดับพอมันดับก็ทําให้เราทุกข์ถ้าอยากให้มันดับในขณะที่มันยังไม่ดับก็ทําให้เราทุกข์อีกนทุกข์เกิดจากความอยากของเราแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาดับหรือไม่ดับเขาจะ มาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเข้าใจถึงอริยสัจสี่ว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่ดับให้ไม่ดับอยากในสิ่งที่ไม่ดับให้ดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ต้องเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดับก็ต้องปล่อยเขาไม่ดับไป สิ่งที่เขาดับก็ต้องปล่อยเขาดับไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ดับหรืออยากให้เขาดับเช่นทุกเขเวทนา ana, พอเกิดขึ้นมาก็อยากให้เขาดับพอเขาไม่ดับใจเราก nada, ็ทุกข์กันแล้วพอร่างกายจะดับเราก็ไม่อยากให้เขาดับก็ทุกข์อีกถ้าร่างกายจะดับก็ต้องปล่อยให้เขาดับถ้าเวทนาจะปรากฏก็ต้องปล่อยให้เขาปรากฏขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะไป ควคุมบังคับเขาได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะดับความทุกข์ได้ละความอยากต่างๆได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาได้ธรรมทุกขั้นนี้จะบรรลุด้วยการเห็นความทุกข์และความอยากทั้งนั้นธรรมแต่ละขั้นนี้จะมี ความอยากเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วพอเราเห็นความจริงของทำเหล่านั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะหยุดความอยากได้เราก็จะดับความทุกข์ที่เราไปทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นี่คือเรื่องของประโยชน์ของการที่เราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมกัน ถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่บรรลุเราก็จะได้ความรู้ที่เราจะสามารถนำเอาไปใช้ในการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ในโอกาสต่อไปสาเหตุที่เราฟังธรรมนั้นเรายังไม่บรรลุก็เพราะว่าเครื่องมือที่เราจะใช้ในการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมนั้นมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองเครื่องมือที่จะทำให้เราบรรลุธรรมนั้นคืออะไรก็คือมัธ มร ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าเราฟังแล้วบางทีร่างกายเรายังขยับไปขยับมาบางทีเรายังไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้หรือใจของเรายังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นี่แสดงว่ามรของเรายังไม่สมบูรณ์ศีล ส, สมาธิของเรายังไม่สมบูรณ์ปัญญาคือการความสามารถที่จะพิจารณา ตามเหตุตามผลของสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นยังไม่มีความสามารถยังไม่สามารถมองเห็นเหตุและผลของสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและสิ่งนี้ทำไมถึงต้องดับไปดับไปได้อย่างไรยังไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ถึงเรื่องของการเกิดการดับของสิ่งต่างๆก็เราก็จะต้องไปเจริญปัญญากัน ไปเจริญสมาธิกันไปเจริญศีลกันถ้าเรายังไม่มีศีลที่ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็ต้องไปสร้างศีลให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเรายังไม่มีศีลห้าเราก็ต้องสร้างศีลห้าขึ้นมาก่อนศีลห้านี้สร้างก็ไม่ใช่หมายความว่าสร้างเฉพาะในวันพระเท่านั้น ตอนต้นท่านให้ามาเริ่มต้นที่วันพระวันที่เราว่างจากการทรมาหากินสมัยนี้วันพระของเราอาจจะต้องเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดทางานเช่นวันนี้เราก็มาสร้างศีลมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญากันศีลเราก็ต้องรักษาละเว้นจากการกระทาบาปทั้งปวงเริ่มต้นที่ศีลห้า เพราะถ้าเรายังไปทําบาปอยู่นี่ใจของเราจะต้องวุ่นวายกับการทําบาปวุ่นวายกับเรื่องของการหลบหนีโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการทําบาปใจของเราก็จะไม่สงบใจเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวไปกับโทษที่เราไปกระทําไว้ไปกับไปกับความผิดที่เราไปกระทําไว้คือบาปที่เราไปกระทําไว้น มันก็จะทําให้ใจเราไม่สงบใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านวิตกกังวลไปต่างๆนาน า, นาเราจึงต้องมาระ ง, งับการกระทําบาปกันก่อนเพื่อจะได้ทําให้ใจเราไม่วุ่นวายเราก็ต้องมาหัดถือศีลห้ากันฮะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมา พอเรารักษาศีลห้าได้ในวันพระแล้วเราก็ต้องขยายต่อไปขยายเพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันต่อไปให้ครบทั้งเจ็ดวันพอเราสามารถรักษาศีลห้าได้เจ็ดวันแล้วกันต่อไปเราก็ต้องมาเพิ่มการรักษาศีลถ้าเราอยากต้องการที่จะทำใจให้เราสงบทำใจให้เราเป็นสมาธิศีลห้านี้ยังไม่มีกาลังพอ ศีลห้านี้เพียงแต่ช่วยทําให้ใจเหล่านี้ไม่วุ่นวายไปกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องไปกับการกระทําบาปแล้วจะทําให้เรามีกําลังที่จะรักษาศีลแปดต่อไปถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมารักษาศีลแปดกันเราก็เริ่มต้นในวันหยุดทํางานที่เราเรียกว่าวันพระในยุค ป, ปัจจุบันนี้ เราเอาวันที่เราหยุดทํางานนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะมาสร้างศีลสมาธิปัญญาสร้างเครื่องมือที่จะทําให้เราบรรลุธทำขั้นต่างๆกันอพอรักษาศีลห้าได้ก็เริ่มรักษาศีลแปดในวันหยุดเพราะถ้าไปทํางานอาจจะไม่สะดวกที่จะรักษาศีลแปดเราก็รักษาศีลห้าไปรักษาศีลห้าในวันทํางานและวัน หยุดเราก็มารักษาศิลแปดพอเรารักษาศิลแปดได้ในวันหยุดเราก็จะมีกําลังที่จะขยายออกไปไปในวันทํางานได้<ม>พอเรามีกําลังจะรักษาศิลแปดได้ต่อไปเราก็จะเพิ่มวันของการรักษาศิลแปดไปได้จนครบทุกวันแล้ว เ, เราก็จะได้มีเวลาที่จะมาทําสมาธิกัน เพสาศีลแปดนี้จะคอยป้องกันไม่ให้เราไปทำกิจกรรมที่เราไม่ควรไปทำที่ไม่ทำให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิเช่นกิจกรรมร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรากิจการกิจกรรม ก, ก, ก, ก, การรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการดูภาพยนตร์มหัรสยบันเทิงอะไรต่าง การไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผ้าทาผมแ้าการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายอันนี้จะเป็นการเอาเวลาอันมีค่าไปจากการมาทำสมาธิทำใจให้สงบถ้าเรารักษาศีลเพียงแต่ศีลห้าเราก็จะ สามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆเหล่านี้ได้ถ้าเราไปทํากิจกรรมอื่นๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทําใจของเราให้สงบได้เราจึงต้องมาถือศีลแปดกันถ้าเราอยากจะมาสร้างสมาธิที่เป็นเครื่องมืออันที่สองเครื่องมืออันแรกก็คือศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ต้องมาสร้างเครื่องมืออันที่สองก็คือสมาธิ จะมีสมาธิได้จะทำสมาธิได้ก็ต้องศีลระดับศีลแปดเพราะเมื่อเราห้ามไม่ให้ไปร่วมดับนอนกับแฟนเรากับคู่ครองของเราห้ามไม่ให้ไปรับประทานอาหารเย็นห้ามไม่ให้ไปดูมหรสลพบันเทิงต่างๆห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆห้ามไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวทำเเผาทำผมแต่งหน้าทาปาก ห้าไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปเราก็จะมีเวลาที่จะมาบาเพ็ญทำใจให้สงบหลังจากที่เรารับประทานอาหารตอนเที่ยงวันแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารตอนเย็นแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเวลาที่เราหลับนอนคือเวลาประมาณสี่ทุ่มเนี่ย เราก็จะมีเวลาถึงสิบชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นมาคอยแรกมาคอยแซงอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรับประทานอาหารเย็นเดี๋ยวกังวันก็อยากจะรับประทานของว่างกินขนมนมเนย มันก็จะไม่ได้มาทำสมาธิไม่ได้มาทำใจให้สงบเพราะใจจะต้องไปทำกิจกรรมต่างๆตามความอยากของใจหาความสุขทางร่างกายก็เลยจะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจด้วยการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ถ้าเราถือศีลแปดได้หลังจากที่เรารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว เราก็จะมีเวลาปฏิบัติไปจนถึงเวลานอนเลยและเวลานอนถ้าเรานอนไม่มากจนเกินไปสี่ห้าชั่วโมงนอนสี่ทุ่มตีสามก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปจนถึงเช้าก่อนที่เราจะไปทำงานได้เลยเราจะมีเวลามากถ้าเรารักษาศีลแปดได้จะมีเวลามาจเจริญสมาธิกัน การจะเจริญสมาธิได้เราก็ต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธินั่นเองถ้าใจไม่มีสติใจจะไม่มีผู้ดึงใจเข้าไปสู่สมาธิใจจะมีแต่ผู้คอยดึงออกจากสมาธิก็คือกิเลสตัณหาถ้าไม่มีสติกิเลสก็จะดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้ไปหาความสุขทางร่างกาย ให้ไปทํากิจกรรมต่างๆทางร่างกายแทนที่จะหยุดทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้ใจสงบนแต่ถ้าเรามีสติสตินี้ก็จะควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงกิจกรรมทางทางร่างกายทางตาหูจมูกเิ่นกายพอมีสติควบคุมก็สามารถทําให้ใจนี้นั่งเฉยๆได้นั่งแล้วก็สามารถหยุดความคิดต่างๆได้ และหยุดความอยากที่เกิดจากความคิดต่างๆได้พอหยุดได้ใจก็จะนิ่งใจจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะได้พบกับความสุขที่วิเศษกว่าความสุขที่ได้จากการทำกิจกรรมทางร่างกายถ้าได้ผลจากการทำสมาธิแล้วจะจะมีความยินดีที่จะปฏิบัติสร้างสมาธิให้มีสร้างสมาธิให้มีมากขึ้นไปเรื่อย เพราะความสุขที่ได้รับจากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากการทำกิจกรรมทางร่างกายเช่นร่วมหลับนอนกันเช่นรับประทานอาหารค่ำกันเช่นดูภาพยนตร์มหอรสศพต่างๆหรือไปทา้าไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ พอได้มาปั๊บก็จางหายไปพอไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดแต่ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันจะอยู่ติดกับใจนานกว่าแล้วถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาเราก็จะสามารถสร้างให้มันอยู่กับใจเราไปได้เรื่อยไปได้ตลอดเลยถ้าเรามีความเพียรพยายามที่จ ะ, จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อน แล้วก็นั่งสมาธิให้มากเท่าที่จะมากได้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิเลยถ้าจะลุกขึ้นมาเดินก็เพราะว่าร่างกายมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นมาเดินแต่ขณะเดินก็ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงกิจกรรมทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะคอยควบคุมด้วยการให้ใจบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่าง เพราะถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีสติกำลังไม่พอสู้ความอยากไม่ได้เดี๋ยวความอยากก็จะฉุดให้ไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายแทนที่จะมาหยุดกิจกรรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังต้องเจริญสติต่อไป หรือถ้าจะเจริญปัญญาได้ก็ใช้เจริญปัญญาก็ได้ปัญญาก็คืออริยสัจสี่ให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ได้เป็นการทําให้ใจสงบเพราะเมื่อเกิดความอยากแล้วใจก็จะต้องขวนขวายกวีกวาดแล้วก็เกิดความกระสับกระส่ายกวอนกวายเวลาอยากได้อะไรนี้ ถ้ายังไม่ได้มันจะกระสับกระส่าย ก, กายังวลก歪เรืองุดหิดลำคาญใจนี่ให้เราเห็นโทษจากการมิเกิดความอยากในใจจะเห็นโทษจะเห็นความ ก, กาังวลก歪กระสับกระส่ายได้ก็ต้องมีใจที่สงบก่อนถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่มันจะเห็นความแตกต่างกันเลยระหว่างใจที่สงบกับใจที่มีความอยาก เป็นเหมือนคนละโลกเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดนเวลาที่ภูเขาไฟไม่ระเบิดนี่มันมันเหมือนใจที่สงบเฉยๆไม่มีเหตุการณ์อะไระแต่พอเกิดความอยากขึ้นมานี่เหมือนกับภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาภูเขาไฟเวลามันไม่ระเบิดนี่มันดูแล้วมันไม่มีพิษมีภัยอะไรมันดูปลอดภัยแต่พอวันไหนมันเกิดปะทุ ข, ขึ้นมานั้นถึงจะเห็นความอ ความร้ายกาจของของภูเขาไฟฉั้ในใดเราจะเห็นโทษของความอยากได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถทําใจของเราให้สงบให้ได้ก่อนเพราะถ้าเรายังทําใจของเราให้สงบไม่ได้เราจะไม่เห็นความแตกต่างของความของความสงบและความไม่สงบที่เกิดจากความอยากเช่นตอนนี้ใจของพวกเรามันไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีความอยากอ ย, กอยู่ตลอดเวลา เราจึงไม่เห็นความแตกต่างกันระหว่างการมีความอยากหรือไม่มีความอยากเพราะความอยากมันไม่ได้หมดมันไม่ได้ตายมันทำงานอยู่ตลอดเวลาใจของเราเลยไม่เคยพบกับความสงบพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเราเลยไม่เห็นคุณค่าของความสงบกันแต่ถ้าเราสามารถเจริญสติควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งได้ หยุดความอยากได้ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบแล้วเราจะเห็นความสุขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพอเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมานี่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจเลยจากความสงบจากความสุขกลายเป็นความวุ่นวายขึ้นมาทันทีถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงคนพบว่า ความทุกข์ใจของพวกเราความวุ่นวายใจความไม่สงบใจของพวกเราเกิดจากความอยากของเรานี้เองเกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากความอยากได้ราบยศสารเสรื่อมสุขเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายไม่ให้เสื่อมจากราบยศสารเสรื่อมสุขไปพอเราเห็นความอยากเหล่านี้เวลามันโผล่ขึ้นมาว่ามันเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิด เราก็ต้องไม่ให้มันระเบิดเราก็ต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดมันก็คือไม่ไปทำตามความอยากเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากได้ภูเขาไฟที่ระเบิดมันก็จะหยุดระเบิดถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากความอยากมันก็จะแพ้มันก็จะหยุดไปมันก็จะหายไปแล้วทุกครั้งที่มีความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ทำเช่นนี้ไปอย่าไปทาตามความอยาก เราก็อยู่กับสมาธิไปอยู่กับสติไปพุทโธไปหรือดูใจว่าไม่สงบเพราะความอยากถ้าอยากให้ใจสงบก็ต้องหยุดความอยากพอเห็นเห็นโทษของความอยากทุกครั้งที่มันเกิดมาเราก็จะหยุดมันด้วยสติด้วยปัญญาแล้วต่อไปมันก็จะหมดกําลังแล้วมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีก แล้วมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความมุ่นวายใจให้กับเราอีกต่อไปแล้วมันก็จะไม่มาฉุดลากให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปในเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถภาเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญเราก็ไม่ต้องมีร่างกาย เมืเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปแต่เราไม่ได้หายไปไหนเราไม่ได้ตายไปจใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีวันตายมีแต่ว่าจะมามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายถ้ามามีร่างกายเราก็สามารถที่จะมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่การหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทําให้เราต้องทุกข์ เพราะว่ารูปเสียงกินรสที่เราหานี้หามาได้เท่าไหร่มันก็ต้องหมดไปเวลามันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์เวลาร่างกายแก่เจ็บตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องไม่มีร่างกายไม่ต้องมาเกิดเพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กันทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นทุกข์ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่เสมอตราบใดถ้ายังมีความอยากอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีการเกิดอยู่แต่ถ้าหยุดความอยากได้การเกิดก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่มาเกิดนี้ได้สูญหายไปไหนใจก็ไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิมแต่เป็นใจที่สงบเป็นใจที่มีความสุขไปตลอด ไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้ค้นพบความจริงว่าความทุกนี้เกิดจากความอยากในใจก็ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้มาทำลายพอไม่มีศีลพอไม่มีความอยากแล้วใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ว่างสงบ นิบบานังปรมังสุญญ์ยังใจที่ว่างนี่คือพระนิพพานนิบบานังปลมังสุขขงังใจที่ว่างที่เป็นนิพพานนี้เป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอันใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขของพระนิพพานการที่จะทําให้ใจนิ่งใจว่างใจสงบปราศจากความอยากต่างๆได้ก็ต้องเกิดจากการสร้างมรรคขึ้นมา มักก็คือเครื่องมือที่จะไปทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจมักที่พระเจ้าทรงใช้ก็คือศีลสมาธิและปัญญานี้เองที่พวกเรากำลังมาศึกษาและพยายามที่จะปฏิบัติกันเริ่มต้นที่ศีลห้าศีลแปดแล้วก็จเจริญสติควบคุมใจให้ไม่ให้คิดปรุงแต่งให้ตั้งอยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจเวลานั่งก็ดูลมหายใจไปหรือบริกรรมพุโทโธไปถ้าไม่ไปคิดอะไรใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วความอยากก็จะถูกกดเอาไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่ตายจากกําลังของสติพอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ทีนี้ต้องใช้ปัญญาที่พระตั้งเจ้าส่งตัดสรู้ส่งค้นพบว่า ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราต้องทุกข์ต้องกลับมาเกิดกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดก็อย่าไปทําความอยากกันอยากจะดูอยากจะฟังอะไรที่ไม่จําเป็นต้องดูต้องฟังก็อย่าไปดูอย่าไปฟังอยากจะกินอยากจะเดิมอะไรที่ไม่จําเป็นต้องกินต้องเดิมก็อย่าไปกินไปเดิมอาบใดที่เรายังมีร่างกายอยู่เรายังมีความจําเป็นที่ต้องกินต้องเด่มอยู่บ้างแต่เราจะไม่ดื่มไม่กินด้วยความอยาก เราจะดืม่มหรือกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ไปเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันเท่านั้นแต่เราจะไม่เอาร่างกายนี้ไปทําตามความอยากต่างๆเช่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันไปหาลาบยศสารเสริญมาครอบครองกันนี่คือเรื่องของการดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากความอยากของพวกเราะ ไม่มีใครมาดับให้เราได้ไม่มีใครมาสร้างเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้มีพวกเราที่จะต้องทำกันเองเราต้องดับเองเราต้องสร้างมรรคคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเองแต่เราอาศัยผู้ที่เคยสร้างมาแล้วมาบอกเราเราบอกวิธีสร้างให้กับเราได้เช่นการฟังเทศฟังธรรมนี้ เรากําลังมาฟังวิธีของการสร้างมรรคคือสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการดับความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเราพอเรารู้แล้วว่าเราต้องสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาและสร้างอย่างไรเราก็ต้องเอาไปสร้างกันเองเพราะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถสร้างให้เราได้เราต้องเป็นผู้สร้างมัน แล้วพอเราสร้างมันแล้วเราก็จะได้ดับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราได้ที่เป็นต้นเหตุทีท่พาให้พวกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันได้พอเราได้ปฏิบัติได้ศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้วเราก็สามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปใจเราก็จะว่างใจเราก็จะสงบ ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ได้หายไปไหนไม่ได้สูญหายไปใจเราเหมือนเสื้อผ้าเวลาเราเอาเสื้อผ้าที่สกรปรกไปซักนี่สิ่งที่หายไปก็คือคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าแต่ตัวเสื้อผ้าเองไม่ได้หายไปไหนเสื้อผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจของพวกเราก็เหมือนกันเวลาที่ใจของพวกเราสกรปรกด้วยความอยากต่างๆเราก็เอาไปซักพอกด้วยธรรมคือศีลสมาธิปัญญา พอเราใช้ศีลสมาธิปัญญาสกักพอกสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในใจก็จะละลายหายไปหมดเหลือแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธินี่แหละที่เราเรียกว่านิพพานใจที่มีแต่บรรมมาสุขใจที่มีแต่ความว่างคือไม่มีความโลภความอยากต่างๆอยู่ภายในใจอีกต่อไปอยันไม่ต้องกลัวว่าเราปฏิบัติแล้วพอเรา ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่กลับมาเกิดแล้วเราจะสูญหายไปไหนเราไม่สูญเรายังอยู่เหมือนเดิมเหมือนอยู่ตอนนี้แต่ดีกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้อยู่ด้วยความหิวโหวยอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความวุ่นวายใจพอเราตัดตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราจะอยู่อย่างอิ่มอย่างพออย่างสบายไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอด นี่คือเรื่องของอนิสงหรือประโยชน์ของการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันจะทำให้เราได้พบกับมงคลของชีวิตก็คือพบกับความสุขความเจริญของจิตใจของพวกเรานั่นเองจิตใจของพวกเราจะเจริญขึ้นไปตามลำดับจากการที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศีลมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไป มีศีลมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นความสุขก็มากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงไปจนในที่สุดก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ภายในใจของเราถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ยิ่งขอให้พวกเราตั้งเป้าไปอยู่ที่การศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันอย่างถูกต้อง เมื่อเรารู้จักวิธีเจริญอย่างถูกต้องเราก็นำเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็จะเป็นสุ ป, ปฏิปนโนคือได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปดังอย่างที่ได้เกิดกับพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการท่านจึงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันในที่สุดพวกเราก็จะได้เช่นเดียวกันก็ขอให้พวกเราจงนําเอาทำที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลที่จะตามมาต่อไป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 ถ้าต้องการถามก็ขึ้นมาถามทางที่ข้างบนนี้มีไมโครโฟนให้ถามถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางพิธีกรเอาคําถามจากทางบ้านมาถามก่อนคําถามจากทางบ้านจากคุณเกียงพงศักดิ์เวลานั่งสมาธิเมื่อนั่งไปสักครู่สติมีกําลังอ่อนลงก็มักจะคุมจิตไม่อยู่ จิตจึงมักฟุ้งซ่านและเตลิดออกไปภายนอกบางทีก็ปรุงแต่งไปไกลมากเมื่อระลึกรู้ได้ทีหนึ่งก็ดึงจิตกลับมาได้ชั่วครู่เดียวก็เตลิดไปอีกและจิตมักไม่ค่อยอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตฟุ้งบ่อยๆเข้าก็เข้าสู่สมาธิได้ยากสภาวะเช่นนี้ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็พยายามสร้างสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่ง จะมาสร้างสติตอนที่เรานั่งอย่างเดียวมันจะไม่พอเราต้องสร้างสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นนี้จนถึงหลับนี่เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาควบคู่ไปกับการทำภารกิจการงานต่างๆของเราเห็นถ้าเราบริกา ร, รมพุทธโธก็บริกรรไปเวลาเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็บริกา ร, รมพุทธโธเพื่อหยุดความคิดนะ แต่เวลาที่เราต้องคิดทำงานการเราก็หยุดบริกรรมไปชื่อคราวก่อนแล้วต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้เวลานั่งก็จะมีกำลังมากก็จะควบคุมให้จิตสงบได้โดยที่ไม่คุ้งซ่านมีบางท่านแนะนำว่าไม่ต้องสนใจกับคำภาวนาหรือแม้กระทั่งไม่ต้องพิจารณากายให้เอาสติไปเฝ้าดูจิตเพียงอย่างเดียว แล้วให้ตามเฝ้าดูอาการของจิตเท่านั้นโดยระวังไม่ให้จิตหลุดออกไปสู่ภายนอกนี่เป็นคำแนะนำที่เหมาะสมและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครับคคอหนึ่งมันมีสติหรือไม่มีถ้าไม่มีสติก็ไปดูมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้ ถ้าไม่มีสติดูยังไงมันก็คิดอยู่นั่นแหละมันไม่หยุดความคิดนะถ้ามีสติพอดูมันเห็นมันคิดปั๊บก็บอกมันหยุดปั๊บมันก็หยุดปั๊บนะเหมือนรถเนี่ยถ้ามันวิ่งปั๊บเราเหยียบเบรกปั๊บมันก็หยุดปั๊บแต่ถ้ารถมันวิ่งแล้วเราเหยียบแล้วมันไม่หยุดจะทายังไงก็แสดงว่าไม่มีเบรกนะฉะนั้นกันว่าบอกกัรบอกใช้สติเนี่คําว่าสติเนี่ยมันเป็นคาเดียวแต่ ควตัวมันนี่มันชื่อมันชื่อมันหาง่ายแต่ตัวมันนหายากเข้าใจไหมถ้ามีสติดูจิตได้มันก็สบายสิก็หยุดความคิดได้ให้จิตมันนิ่งเฉยๆให้มันสักแต่ว่ารู้ไปอนั่นแหะคือการทําที่ถูกต้องด้วยสติแต่ถ้ามันดูแล อัลโหโอเคองวันั้นถ้าไม่มีสติดูจิตมันไม่หยุดคิดก็แสดงว่าไม่มีสติพอก็ต้องใช้คำบริกรรมหรือใช้การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เราไปคิดแล้วทำให้จิตเราฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเราใช้คำบริกรรมมันก็จะหยุดคิดได้หรือถ้าเราพิจารณาทางปัญญามันก็จะหยุดคิดยุดเรื่องความฟุ้งซ่านได้เหมือนกัน แล้วแต่ว่าเราจะถนัดอย่างไหนการใช้คำบริกรรมหรือการใช้การพิจารณานี้ก็เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมานี้เองถ้าสติเรายังไม่มีดูจิตแล้วหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมไปหรือด้วยการพิจารณาทำมันก็จะทำให้เราหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ได้ คำถามจากคุณจอโลเวอรี่หากมีโรงงานปล่อยกินเหม็นทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราไปแจ้งหน่วยงานราชการให้เข้ามาตรวจสอบอยู่หลายครั้งเพราะปัญหาเดิมยังคงเกิดอยู่เพราะถ้าไม่แจ้งก็จะมีคนป่วยคนตายเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถือว่าเราไปสร้างเวรกับเจ้าของโรงงานหรือเปล่าครับก็อยู่ที่เจ้าของโรงงานเขาจะมาจองเวรจองกรรมเราหรือเปล่า ถ้าเขาเป็นคนดีเขาอาจจะขอบใจเราว่าเออ่ไปไปเตือนเขาไปบอกเขาว่าเขากําลังสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเขาอาจจะโนโมนาสาธุก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นคนพาลเขาก็อาจจะไม่พอใจเขาก็อาจจะ ก, ก่อเกลียดเราจองเวรจองกรรมเราได้เะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาจะมีปฏิกิริยาไปในทางใด คำถามจากผู้ฝากถามผมเป็นโรคร้ายตอนนี้เป็นทุกข์เป็นกังวลมากๆครับกลัวว่าวันหนึ่งถ้ามันกําเริบขึ้นมาจะเป็นอย่างไรกลัวตายมีลูกเล็กๆสองคนต้องดูแลผมควรทําอย่างไรดีช่วยชีย้ทางให้ผมทีครับเราทําให้มันหายได้หรือเปล่าถ้าทําให้มันหายไม่ได้ แล้วห้ามันไม่ให้มันตายได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องทำใจแทนทใจเราทำได้การทำใจก็คื อ, อยอมรับความจริงถ้าเราอยอมรับความจริงความทุกข์ของเราก็จะหายไปทางบ้านต่อเลยเอ่าจํานวนผู้ฟังก่อนไครับอ่าก็ได้ครับจํานวนผู้ฟังวันนี้ตอนช่วงพาจารนเทศ มีอยู่300 302คนครับแล้วก็ YouTube มีอยู่46คน ค, คำถามคำถามแรกจากคุณไพโรธนะครับการฟังธรรมเป็นการทาสมาธิหรือการเจริญปัญญาครับก็ได้สองอย่างแล้วแต่ความสามารถของผู้ฟังถ้าฟังแล้วไม่สามารถพิจารณาตามตามได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ก็จะได้แต่ความสงบคือใช้เสียงธรรมเกาะใจไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งใจฟังไปเรื่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปโดยที่ไม่ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะสงบได้เป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่งอันนี้ฟังแล้วเกิดสมาธิขึ้นมา แต่ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามได้พิจารณาเหตุผลของของธรรมที่แสดงได้แล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐิสามารถปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆได้ก็จะได้ปัญญาได้หลุดพ้นได้บรรลุธรรมก็มีสองแบบแล้วแต่ผู้ฟังว่าฟังแล้วเข้าใจหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ได้แต่สมาธิถ้าเข้าใจก็จะได้ปัญญา คำถามต่อไปจากคุณนิเวศครับผมนั่งสมาธิพอหลับตาจิตก็ฟุง้งก็พยายามดูลมหายใจดึงจิตมาอยู่กับลมอยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็ไปใหม่ก็ดึงมาใหม่เป็นแบบนี้มาสามปีกว่าแล้วครับรักษาสิงเป็นประจำครับแต่ยังไม่มีสมาธิต้องทำอย่างไรต่อครับเราต้องพุทโธตอนเวลาที่เราไม่ได้นั่ง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตานี่ก็บริกรรมพุทโธได้เลยอย่าปล่อยให้ใจคิดตอนนี้เราปล่อยให้ใจคิดซะส่วนใหญ่กำลังที่หยุดความคิดมันก็เลยเท่าเดิมไม่มากกว่าเดิมเวลานั่งสมาธิก็ติดอยู่ตรงนี้ชักไปเยอะกันไปชักไปเยอะกันมาดึงไปดึงมาเพราะว่ากาลังของเราที่จะดึงให้มันอยู่นานๆมันยังมีน้อยเพราะเราไม่เราไม่สร้างเราไม่เพิ่มมันขึ้นมา เราต้องสร้างต้องเพิ่มมันขึ้นมาด้วยการเจริญสติเวลาที่เรายังไม่ได้มานั่งจเจริญได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยถ้าไม่พุโทโธก็ดูร่างกายไปเลยว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังนอนกําลังยืนกําลังเดินกําลังอาบน้ํากําลังแปรงฟันกําลังหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้เฝ้าดูร่างกายไป อย่างเดียวอย่าไปให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนะถ้าเราเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องมันก็จะไม่คิดมันก็จะมีกำลังมากเวลามานั่งมันก็จะไม่ถูกถูกความอยากดึงไปให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้นี่คือวิธีของการสร้างสติ ต้องสร้างนอกเวลาของการนั่งด้วยไม่ใช่เอาแต่เวลาที่เรานั่งมาสร้างอย่างเดียวมันก็จะได้เท่าเดิมเคยมีเท่าไหร่พอมานั่งมันก็จะได้เท่านั้นนั่งกี่ปีมันก็จะได้แค่นั้นถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ต้องสร้างสตินอกเวลานั่งเอาทั้งวันเลยพยายามสร้างสติด้วยคําบริกรรมพุทโธหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกาย แล้วต่อไปเวลานั่งนี้มันจะนิ่งจะสงบมันจะไม่คิดปรุงแต่งเลยคํำถามต่อไปจากคุณสมศรีครับเวลาเราทํางานบ้านนอกจากให้นึกพุโทโธแล้วเราจะนึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ได้หรือไม่เจ้าคะไม่ควรถ้าเราจะเริยนสตนิให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเพราะนึกถึงคําสอนมันก็คิดปรุงแต่งไปละเราไม่ต้องให้ใจคิดปรุงแต่งแม้จะเป็นเรื่องธรรมะตอนนี้ก็ไม่ควร ก็เดี๋ยวมันจะเผลอพอคิดได้สองสามคำเดี๋ยวมันจะเผลอไปทางอื่นแทนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเงั้นอย่าไปคิดดีกว่าให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหรือให้อยู่กับการทำงานของเราอย่างเดียวมีห้าคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมมาในส่วนนะครับลูกขอความเมตตาหนึ่งจากสงบเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าคะอยากสงบเป็นกิเลสหรือไม่ไม่ความอยากนี้ มีสองแบบอยากความอยากที่เป็นธรรมก็มีความอยากที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่เป็นกิเลสมีแค่สามกลุ่มคือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือความอยากไม่ให้สิ่งที่เราลักต้องมาพัดพากจากเราไปความอยากเหล่านี้ที่เป็นกิเลสและความอยาก นั่งสมาธิความอยากทําบุญความอยากรักษาศีลความอยากฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นธรรมทั้งนั้นสามารถที่จะทําให้ใ จ, จเราเจริญก้าวหน้าในธรรมขึ้นไปได้คำถามที่สองครับลูกขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคำว่าสมุ ท, ทยัยสมุทัยแปลว่าเหตุ่งสมุทัยก็คือเหตุเนี่ย ทุกอย่างนี้มันมีเหตุเหตุเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเช่นพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหตุทำให้เราเกิดมาได้ถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่เราก็จะไม่มีร่างกายอันนี้พ่อแม่เป็นผู้สร้างร่างกายขึ้นมาแต่สมุทัยในคาหมายที่ใช้อยู่นี้ไม่ได้หมายถึงเหตุทั่วไปแต่เหตุที่ทำให้ใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาสมุทยนี้แปลว่า ต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจพระพุทธเจ้าสองคนพบว่าคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นดสความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่เป็นโตและความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขความอยากไม่สูญเสียร่างกายความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไป นี่คือสมุทยัยมีอยู่สามตัวเรียกว่ากามตัฏันหาภาวะตัฏนหาและวิภาวะวัฏันหาคำถามที่สามจากผู้ปฏิบัติใหม่เวลานั่งฟังธรรมเกิดอาการง่วงตลอดเวลาจะเป็นบาปใหม่เจ้าคะไม่บาปมันจะไม่ได้บุญมันไม่ได้ประโยชน์มันนั่งมันก็นอนหลับนี่เอง คำถามที่สี่จากผู้ปฏิบัติใหม่ลูกมีความกลัวมากๆจนทําให้นอนไม่หลับทั้งคืนขอความเมตตาหลวงพ่อขออุบายให้หายจากความกลัวเจ้าค่ะเบื้องต้นก็หัดสวดมนต์ไปก่อนเวลาเกิดความกลัวก็สวดมนต์ไปสวดอิตธิปิโสไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความกลัวจะหายไปถ้ายังไม่หายก็สวดไปจเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเรื่อยๆ ถ้าจิตเราอยู่กับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปอันนี้วิธีแรกพอเราใช้วิธีแรกได้แล้วเราก็มาทำวิธีที่สองเพราะวิธีแรกนี้เพียงแต่หยุดความกลัวได้ชั่วคราวเวลาที่เราสวดมนต์ไปความกลัวก็จะหายไปพอเราไม่สวดพอเราไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวเราก็จะกลัวขึ้นมาใหม่ได้ังนั้น ดังนั้นถ้าเราอยากใช้ความกลัวหายไปอย่างถาวรหลังจากที่เรามีกำลังสวดแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอามาใช้ในทางปัญญาเอามาพิจารณาว่าเรากลัวอะไรเราก็คือเราก็กลัวความตายกันรักตัวกลัวตายกันแล้วร่างกายที่เรารักนี้มันจะไม่ตายหรือเปล่ารักยังไงมันก็ตายรักไปก็ทำให้กลัวปเปล่า ต้องยอมรับว่ามันต้องตายงั้นอย่าไปรักมันอย่าไปเสียดายมันถ้าถึงเวลาที่มันจะต้องไปก็ให้มันไปยอมรับความจริงของร่างกายหรือกลัวความเจ็บหรือกลัวอะไรก็ตามก็เหมือนกันเราก็หนีมันไม่พ้นพระพุทธเจ้าบอกเกิดมาแล้วเราจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายพบกับการพัดพลาดจากของสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารัก ไม่มีไม่สามารถล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าเราเราไม่อยากให้มันเกิดเราก็จะทุกข์เราก็จะกลัวกันแล้วเราอยากไปอยากให้มันไม่เกิดเราต้องยอมให้มันเกิดยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายยอมให้สิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักต้องพัดพากจากเราไปถ้าเรายอมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่กลัวอะไร คำถามข้อที่ห้าจากผู้ปฏิบัติใหม่เมื่อมาปฏิบัติแล้วเกิดมีอาการป่วยอย่างกระทันหันทําให้ไม่อยากปฏิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเจ้าคะลูกขอคําแนะนําเจ้าคะ่ะ อ, อเวลาป่วยมันก็ไม่มีกําลัง เ, ลเหมือนกับเราทํางานเวลาเจ็ค่ายได้ป่วยเราก็ไม่อยากจะไปทํางานเพราะร่างกายไม่พร้อมที่จะไปทํางานการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนการทํางานเหมือนกันเรียงแต่ว่าทํางานคนละแบบ ถ้าไปทำงานทางโลกก็ไปทำงานเพื่อกิเลสถ้ามาทางานทางธรรมก็มาทำเพื่อธรรมเพื่อมาฆ่ากิเลสมันก็เป็นงานเหมือนกันพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้มันก็ไม่อยากจะปฏิบัติก็รักษาตัวไปก่อนเวลาไม่สบายก็รักษาตัวให้หายก่อนเมื่อหายแล้วเราก็กลับมาปฏิบัติใหม่คำถามต่อไปจากคุณเด็กบ้านนอกนะครับ ถ้าเรามีโต๊ะพระไว้ในห้องนอนจะเหมาะสมไหมเพราะบ้านไม่มีห้องพระเลยจําเป็นต้องไว้ในห้องนอนและถ้ามีการหันหน้าพระโต๊ะพระออกไปทางทิศเดียวกันกับหน้าบ้านจะดีหรือเปล่าครับก็ตามหลักแล้วพระนี่คนจะอยู่ในห้องที่เป็นไหนประเทศมันจะดีกว่าเพราะว่าเราเป็นที่เราไว้สําหรับกราบสักการะบูชาถ้าเราไปไว้ในห้องนอนนี้มันก็อาจจะ ไม่เหมาะสมพระท่านไม่รู้เรื่องหรอกเราทำอะไรกันในห้องนอนเราจะนอนกับใครหรือไม่นอนกับใครนี่พระก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เพียงแต่ชาวบ้านชาวช่องคนอื่นเขารู้เรื่องเขาจะเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรที่จะเอาของสูงไปไว้ในห้องที่อาจจะมีทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในในต่อหน้าณพระนี่ก็ ดนควรจะแยกออกจากกาันจะดีกว่าก็ไปตั้งที่ห้องรับแขกห้องไหนก็ได้ออย่าไปตั้งไว้ในห้องนอนมันไม่เหมาะสมเช่นไม่อย่าไปตั้งไว้ในห้องน้ําห้องน้ําเราก็ไม่เหมาะสมที่จะไปตั้งห้องน้ํามันไม่ได้เป็นที่เราจะทํากิจกรรมที่เหมาะสมให้ผู้ได้เห็นดั้นอย่าไปให้พระนั่งดูพวกเรากำลังทำยังไงท่านนั่งดูเราหลับเรานอนกันนี่มันไม่เหมาะสม อ, อก็หาที่ตั้งใหม่ ถ้าไม่มีก็ไปตั้งที่วัดก็แล้วกันไม่ต้องมีก็ได้พระอยู่ในใจพระแท้อยู่ในใจคำถามต่อไปจากคุณมนุษย์ทุกคนครับกระผมอยากทราบว่าถ้าหากเราถือสินแปดแล้วปิดสินข้อที่สามหกเจ็ดแปดเราจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็เพียงแต่ว่าเราไม่ได้บุญนะ เราก็จะไม่ได้เวลามานั่งสมาธิกันเอาเวลาไปหลับนอนกันเอาเวลาไปกินเลี้ยงกินอาหารกันไปดูหนังฟังเพลงกันก็เหมือนถือศีลห้าเท่านั้นเองไม่ได้ถือศีลแปดศีลแปดนี้มีไว้เพื่อให้เราหยุดกิจกรรมทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มาทำกิจกรรมทางจิตใจมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบกันคาถามต่อไปจากคุณบูมครับ กราบเรียนถามเรื่องบุคคลชอบมาตาหนิเราทั้งไม่ผิดว่าเราต่างๆนานาเวลาทำงานทำให้ใจหดหูและเกิดอารมณ์โกรธจะใช้ทำใดดับคะความหดหูของใจความโกรธของใจเกิดจากความอยากไม่เขาตาหนิเราดันถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่หดหูไม่โกรธเขาเราก็อย่าไปอยากให้เขาตาหนิเราเราก็ปล่อยเขาตาหนิตามอัธยาศัย เพราะเราห้ามเขาไม่ได้ปากของเขาใจของเขาเขาจะตำหนิยอย่างไรจะถูกจะผิดอย่างไรเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถห้ามความหงุดหงิดความความโกรธของเราได้ด้วยการหยุดความอยากของเราความอยากที่ไม่อยากให้เขามาตำหนิเราเท่านั้นเองเปิดอนุญาตให้เขาด่าเราได้เต็มที่แล้วเราก็จะไม่โกรธเขา คำถามคำถามต่อไปจากคุณพิทกคุณครับถ้าทำถ้าทางานอยู่ในหมู่คนพาลชอบเอาเปรียบต้องวางใจอย่างไรครับคาถามนี้เคยถามเราในคราวีแล้ ว, ก, ลวก็วางใจเฉยไง ừ, ก็ปล่อยเขาทำไปไม่ใช่เรื่องของเราถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ทาใจไปพุโทโธพุโทโธไปคำถามต่อไปจากคุณกมลทิพย์ หนูขายร้านกาแฟให้เพื่อนแต่เขาชงไม่เหมือนเรากลัวเขาขายไม่ดีไปไม่รอดเป็นกังวลมากค่ะจะทำยังไงดีคะเอาเรื่องของชาวบ้านมาแบบทำไมเราก็สอนเขาสิสอนเขาวิธีที่ทำให้ถูกต้องแล้วส่วนเขาจะไปทาหรือไม่นี่มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาอาจจะคิดว่าวิธีของเขาดีกว่าของเราก็ได้เราอย่าไปยึดไปติดเลย ขายเขาแล้วก็จบแล้วบอกวิธีแล้วบอกสูตรของเราแล้วว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาจะเอาไปทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขานอกจากมีสัญญากันก็มีมีสัญญามีมีอะไรกันก็อาจจะต้องมาพูดกันเช่นบริษัทเซเว่นนี่เวลาเราไปเปิดนี่เขาก็มีสัญญาว่าเราจะต้องทำร้านอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเราไม่ทําตามแบบเขาเขาก็จะต้องมาอคุยกับเราฮะมายึดคืนเพราะทําให้เสียชื่อเสียงเขาถ้าเรากลัวว่าชื่อเสียงกาแฟของเราจะเสียเราก็ต้องทําสัญญา ก, กับลูกคนที่เขาซื้อจากเราว่าต้องทําแบบนี้นะถ้าไม่ทําก็ต้องหยุดนะอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ทําก็ต้องปล่อยอคําถามต่อไปจากคุณชินครับคุณแม่เสียชีวิตแล้วก่อนท่านเสียชีวิต ลูกจะเข้าไปเรียนให้ท่านทราบว่าพรุ่งนี้พวกเราลูกๆจะไปซื้อปลาและปล่อยก่อนปล่อยปลาก็อธิษฐานจิตแทนคุณแม่จากนั้นไปที่โรงพยาบาลหาคุณแม่ก็เรียนบอกคุณแม่ว่าวันนี้ไปทําบุญปล่อยปลาแทนคุณแม่แล้วท่านนอนหลับฟังคําบอกก็เห็นท่านยิ้มน้อยแบบนี้จะถือว่าท่านได้ทําบุญจากการปล่อยปลาหรือไม่ครับค <c oughs> การทำบุญจากการปล่อยบาลนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นการกระามเหล็กของเราเองเป็นเงินของเราเราทำเราเป็นผู้ได้ส่วนแม่ถ้าได้ก็จะได้บุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญคือยินดีไปกับการทำบุญของเราแต่นม่จะไม่ได้บุญส่วนที่เกิดจากการปล่อยปลาแต่แม่จะได้บุญจากการที่เห็นลูกได้ทำบุญแล้วดีใจไปกับการทำบุญของลูก มันต่างกันนะบรนบุญสองคนละชนิดกันแต่ถ้าแม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแม่ไม่ได้อนุโมทนาแม่ก็ไม่ได้บุญส่วนนี้ไปไม่ได้ทั้งสองส่วนคือบุญปล่อยปลาก็ไม่ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาก็ไม่ได้คาถามต่อไปจากคุณอุษาเรศครับลูกกําลังเป็นวัยรุ่นเกเลจะทำอย่างไรเหนื่อยเครียดมาก ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกว่าเป็นอย่างนี้แหละเด็กทุกคนเหมือนเราทำไมเราเป็นเด็กๆ ก, ก็แบบเดียวกันเนี่ยตอนตัวเล็กๆ ก, ก็น่ารักเอว่านอนสอนง่ายเพราะตอนนั้นยังไม่มีกําลังที่จะทำอะไรตามที่ต้องการต้องการจะทําได้ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยต้องเชื่อฟังแต่พอเริ่มมีกําลังวางชามากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นก็จะอยากจะทําอะไรไปตามความชอบของเขาแล้วแหละของตัวเองอ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันทุกคนเนี่ยเราก็เคยเป็นมาเราลืมเมื่เหลือเวลาที่เราเป็นเด็กเวลาที่เราดื้อกับพ่อกับแม่เป็นยังไงตอนนี้ลูกมันก็มาดื้อกับเราเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตใจของคนเราทุกคนที่อยากจะทําอะไรตามอําเภอใจสิ่งที่เราทําได้ก็คือสอนเขาถ้าเกิดเขาทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรก็สอนเขาแล้วก็หามาตรการป้องกันไม่ให้เขาทําเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราสอนแล้วมีมาตรการแล้วก็ออยังสามารถแอบไปทําได้อันนี้ก็ถือว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราได้กันเพียงแต่ล้อมคอกก่อนที่จะให้วัวหายแต่ถ้าวัวมันฉลาดมันแหกค้อกไปก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องทําใจคําถามต่อไปจากคุณวิสุทธิ์ครับ ประผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีและพระอนาคามีเมื่อมีผู้ปฏิบัติได้ถึงขั้นดังกล่าวแล้วจะสามารถเสื่อมจากขั้นนั้นเนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสมได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกถ้าประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับขั้นนั้นก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็จะไม่ประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสม ดาถ้าได้ขั้นไหนแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเช่นได้โสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมมามาเป็นปุถุชนถ้าได้สกิรดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็ น, นเป็นโสดาบันถ้าได้อนาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิราคามีเกิดได้ขั้นไหนแล้วก็จะอยู่ในขั้นนั้นมีแต่อยกขึ้นไปตามลําดับของกําลังของการปฏิบัติตจะไม่มีวันเสื่อมลงมาถ้าเสื่อมลงมาก็แสดงว่า ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างแท้จริงคำถามต่อไปจากคุณบูมเวลานั่งสมาธิใจสงบสักพักค่ะแต่เคยฟังเขาเล่าว่านั่งแล้วเดี๋ยวจิตหลุดจะมีวิธีป้องกันไหมเจ้าคะไม่หลุดหรอกมันจะหลุดไปไหนล่ะมันเป็นน็อตน็อตหรอมันถึงจะได้หลุดได้จิตมันไม่หลุดไอ้ที่จะหลุดก็คือสติเพราะยังไ <c oughs> สติหลุดก็เป็นบ้าไงตอนได้นั่งสมาธิแล้วสติหลุดก็เป็นบ้า คือหลงนั่งแล้วก็คิดว่าเป็นเท้าหมหาพรหมเป็นอะไรไปอย่างนี้เขาเรียกว่าสติหลุดนนั่งไปแล้วถ้ามีถ้าได้ศึกษามาแล้วรู้ว่านั่งยังไงเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นแนะ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรจิตเราอาจจะเปลี่ยนไปจิตเราอาจจะสงบแต่ร่างกายของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ เรายังเป็นนายกรนายขอนางสาวนายอะไรอยู่เหมือนเดิมมีพ่อมีแม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ไอันนี้มันไม่เปลี่ยนไอ้ที่มันจะเปลี่ยนก็คือสภาพจิตใจของเราจากปุธุชนเป็นพระโสดาบันปัญสะพระสะกิฎาคามีอันนี้มันเปลี่ยนแต่มันไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเข้าใจไหม พ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่ไม่ใช่ว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วตอนนี้กบพ่อแม่ไม่ได้แล้วนะพ่อแม่ต้องมากาบเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าสติหลุดเ <c oughs> นั้น่อนนี่ยานั่งต้องทำความเข้าใจว่าเวลานั่งเราปฏิบัตินี้เราเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเราแต่ทางสถานภาพของเรากับผู้อื่นกับในโลกนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ ถตงแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ถ้าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์เขาก็เรียกว่าเราในกอนางสาวอยู่นั่นแหะใช่ไหมเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้เราเหมาะกับสมมุติของเราไปส่วนในใจของเรามันก็เป็นเรื่องของเราการปฏิบัติใจของเรานี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเพียงอย่างเดียว เราจะเกี่ยวก็เพราะว่ามีคนเขาอยากจะมาขอให้เราช่วยสั่งช่วยสอนเขาเท่า น, นั้นเองแต่เราไม่ได้มีความวิเศษอะไรไปกว่าเดิมหรอกเราก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมยังต้องรับประทานอาหารยังต้องอุจระเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นมนุษย์เดินดินอยู่เหมือนเดิมอย่างอย่าไปหลงเน่ะ บางคนคิดว่าพอบรรลุแล้วนี่โอ้เป็นเหมือนกับมันเป็นมหาจาักรพรรดิขึ้นมาแล้วสิทุกคนจะต้องนอบน้อมเคารพ บ, บูชานะไม่ใช่นะคำถามต่อไปจากคุณสุวัฒนาครับการเรียนสอบถามข้าว่าเวลานั่งสมาธิหรือบริกรรมพุทโธในใจมักมีความคิดไม่ดีแวบมาควรทำอย่างไรคะก็อย่าไปสนใจแล้วก็พุทโธต่อไป ตอนนี้ตอนใหม่ๆนี้สติเรายังไม่เข้มข้นความคิดต่างๆก็ยังแับเข้ามาได้เราก็อย่าไปสนใจทำสติของเราเข้มข้นด้วยการบริกรรมต่อไปถ้าเราบริกรรมต่อไปโดยที่ไม่ไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่แทรกเข้ามาต่อไปมันก็จะไม่แทรกเข้ามาใจก็จะสงบเย็นสบายคำถามต่อไปจากคุณสวนเกษตรครับพระฉันนมตอนเย็นได้ไหมสาธุ ออมีสองสายสายที่ฉันได้ก็มีสายที่ฉันไม่ได้ก็มีอั Designer. แล้วแต่ว่าไปบวชอยู่สายไหนสายที่จับเงินได้ก็มีสายที่ใช้เงินพกพาเงินทองไปซื้อข้าว ซ, ซื้อของตามศูนย์การค้าต่างๆได้ก็มีเ อ, อดื่มนมได้ก็มีแต่สายที่จับต้องเงินทองไปซื้อข้าวซื้อขอ ง, อของเองไม่ได้ก็มีเ อ, อดื่มนมก็ไม่ได้ก็มี keep. หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ก็ต้องแยากแยะดูว่าเป็นพระสายไหนคำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ครับแม่อายุเก้าสิบกว่าอยู่โรงพยาบาลอาการหนักมากถ้าเราไม่ทําการฟอกไตอาจจะเลวร้ายลงเพราะแม่เคยบอกไม่อยากถูกทรมานแบบนี้หนูจะบาปไหมคะบาปยังไงไม่ไม่ทําตามไม่พาแม่ไปรักษาตัวเลยถ้าแม่สั่งว่าแม่รักษาตัวก็ไม่บาป ถ้าแม่บอกไม่ต้องการรักษาตัวก็ต้องปล่อยไปตามความต้องการของแม่เพราะร่างกายนี้เป็นของแม่ไม่ใช่เป็นของเราคำถามต่อไปจากคุณจุ๋มครับเคยได้ยินเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดามาฟังธรรมจากพระอริยะหรือพระพุทธเจ้าแล้วเทวดานั้นจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะได้ก็แม่พระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดา พระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมอยู่หนึ่งพันษาจนมนุษย์เป็นพระสโสดาบันขึ้นมาตอนนี้หมดตอนนี้ห ม, หมดคำถามแล้วใช่ไหมมีไหมคำถามเห็นดังต้าเอาเอาไมโครโฟนอไมโครโฟนอย่าพูดแบบคอณอยาเป็นคำถามสุดท้ายแล้วทางบ้านก็คงจะขอหยุดเนะพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้ว ตอนมานี่ก็คิดว่ามีนะคะมีปัญหาที่จะมาถามท่านอาจารย์เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ท่านอาจารย์เตือนว่าออขอให้ทำทำจิตใจให้ว่างอยู่ตลอดบ่อยๆทําบ่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งอาทิตย์นี้ที่ที่ผ่านมาโยมก็พยายามไม่คิดอะไรทําใจ จําใจให้ว่างอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ทำํำนั่งสมาธิหนักหน่อยฮะหลายชั่วโมงเลยทั้งช้งเช้ากลางวันเย็นคอ่อมันก็ยังไม่ว่างมากมันก็ยังมีอะไรมาเอฉุดออกไปจากความว่างเ อ, อมันก็ว่างได้เยอะกับปอปกติที่เคยทํามาทีนี้ก็มานั่งที่นี่แล้วก็ฟัง เ, เทศนาของท่านอาจารย์ตอนช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับความว่างก็ตอบปัญหายโยมได้หมดสิ้นแล้วค่ะว่าถ้ า, าจากการทำสมาธินะฮะภาวนาทำใจให้เป็นอุเบกขาททำใจให้ว่างให้สงบมันก็จะเกิดความว่างขึ้นระยะนั้นแล้วก็เราก็ทำไปเวลานอกก็ทำไปพลาง แต่ว่าเพราะว่ายังเป็นปุถุชนอยูอ่ก็ยังต้องฝึกไปก็จะมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็เหมือนหมายถึงว่าหมดทุกใช่ไหมคะก็ได้ม า, าสติไงม า, าสติก็คือสติที่ไม่มีเวลาพังเผลอ<ะ>มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นมันก็ยังมี เวลาทั้งเผอให้กิเลสออกมาหลอกล่อเราได้อยู่ค่ะแต่ก็คือว่าก็ไม่ไม่พ้นความพยายามใช่ไหมะแต่ละวันก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยค่ะอืมคก็มีเท่านี้นะนะโยมคิด ว, ว่าวันนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าท่านตอบปัญหาที่โยมคิดมา